ปัญหาที่สิบถามถึงการทำบาปแห่งผู้รู้กับผู้ไม่รู้ข้าแต่พระนาคเสนสมมุติว่ามีคนสองคนคนหนึ่งรู้จักบาปอีกคนหนึ่งไม่รู้จักแต่กระทำบาปด้วยกันทั้งสองคนข้างไหนจะได้บาปมากกว่ากันขอถวายพระพรข้างไม่รู้จักได้บาปมากกว่าข้าแต่พระนาคเสน ราชบุตรของโยมหรือราชอาหมาัดคนใดรู้แต่ทำผิดลงไปโยมลงโทษแก่ผู้นั้นเป็นทวีคูณขอถวายพระพรมหาบอพิษจะเข้าพระไทยความข้อนี้อย่างไรคือสมมุติว่ามีคนสองคนจับก้อนเหล็กแดงเหมือนกันคนหนึ่งรู้ว่าเป็นก้อนเหล็กแดงอีกคนหนึ่งไม่รู้คนไหนจะจับแรงกว่ากัน ถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนไม่รู้จับแรงกว่าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอบพิตคือผู้ไม่รู้บาปได้บาปมากกวา่าชอบแล้วพระ น, นักเสน